วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2569เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมผู้มีศรัทธาเริ่มใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าและนำเอาไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สุขแก่จิตใจช่วยบาบัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปตามลำดับธรรมะที่จะเอามาฝากท่านในวันนี้ ก็มีหัวข้อว่าพุทธกิจห้าพุทธกิจห้าคืออะไรก็คือภารกิจของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงบำเพ็ญทุกวันมีอยู่ห้าประการด้วยกันหลังจากที่พระองค์ได้ทรงตัดสั้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วสิ่งที่พระเจ้าทรงบำเพ็ญก็คือการเผยแผ่ คำสั่งคำสอนให้แก่สัตว์โลก<ม>ภารกิจของพระองค์ในแต่ละวันก็มีดังต่อไปนี้มีอยู่ห้าข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งยามเช้าทรงเสด็จออกบิณฑบาตโปรดสัตว์<ม>อันนี้เป็นภารกิจสำหกับการเลี้ยงดูร่างกายของพระองค์ ร่างกายของพระ อ, องค์ก็เป็นเหมือนร่างกายของพวกเราที่จาเป็นที่จะต้องมีอาหารไว้หล่อเลี้ยงร่างกายถึงจะมีกําลังวังชามีอายุอยู่ได้ถ้าขาดอาหารร่างกายก็ต้องถึงแก่ความตายไปในไม่ช้า <c oughs> ดังนั้น พ, พุทธกิจอันแรกของพระพุทธเจ้าก็คือทรง ออกบินธบาีโปรดสัตว์เพื่อเอาอาหารมาเลี้ยงชีพของพระ อ, องค์เองเพื่อที่จะได้มีร่างกายที่แข็งแรงและจะได้ทำหน้าที่หลักของพระ อ, องค์อีกสี่ข้อด้วยกันคือข้อที่สองพุทธกิจข้อที่สองก็คือยามบ่ายก็ทรงแสดงธรรมโปรดคารวะาญาติโยม ศัทธาญาโยมที่สนใจใอยากจะศึกษาอยากจะเรียนรู้เรื่องราวของวันธรรมคำสอนว่าทรงสอนให้ปฏิบัติอะไรอย่างไรบ้างก็จะมาศึกษากันในยามบ่ายของทุกวันถ้ามีพระพุทธเจ้าประทับอยู่พระพุทธเจ้าก็จะเสด็จออกแสดงธรรมในตอนบ่ายให้แก่คลาราชกาญาติโยมในยามค่าก็จะแสดงธรรมให้แก่ บรรพชิตนักบวชหรือภิกษุภิกษุณีสมมาเส ม, มาเณรสามเณรีเป็นต้นอันนี้เป็นภารกิจข้อที่สข้อที่สองแสดงทำให้ศรัทธาญาติโยมข้อที่สามแสดงทำให้กับบรรพชิตพวกนักบวชแล้วในยามดึกก็จะทรงแสดงทำโปรดเทวดา พวกกายทิพย์ทั้งหลายแม้แต่พวกกายทิพย์เขาก็มีความสนใจที่อยากจะศึกษาอยากจะเรียนรู้พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงมีอภิญญามีความสามารถที่จะติดต่อกับพวกกายทิพย์ได้กับพวกเทวดาจึงสามารถแสดงธรรมโกรธให้กับพวกเทวดาได้และพุทธกิจข้อที่ห้า คือในยามเช้าก่อนที่จะเสด็จออกบินธบาตจะทรงเร็งยานดูว่าจะไปโปรดแสดงธรรมให้กับใครเป็นกรณีพิเศษในวันนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าบุคคลนั้นมีจิตใจพร้อมที่จะบรรลุธรรมแล้วและอาจจะมีภาวะของการสิ้นสุดของชีวิตในระยะอันใกล้ องก็จะส่ง เ, เน้นไปโปรดบุคคลนั้นเป็นกรณีพิเศษในแต่ละวันนี่คือภารกิจที่เรียกว่าพุทธกิจหภารกิจหประการด้วยกันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญทุกวันไม่มีข้อยกเวน้นนอกจากทรงอาภาเท่านั้นถ้ามีทรงอาภาธไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะต้อง ยกเว้นภารกิจเหล่านี้ไปเป็นการชั่วคราวแต่ถ้าเป็นปกติแล้วพระ อ, องค์จะให้ความสำคัญต่อภารกิจทั้งห้าประการนี้ภารกิจการเลี้ยงดูร่างกายก็สำคัญและพระ อ, องค์ก็ทรงเน้นถึงการใช ah ้อัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนต้องท ร, รมาหากินเองอย่าไปอาศัยคนนั้น วันนี้เขามา <c oughs> จัดอาหารมาให้เรากินกันนะเป็นนักบวชก็ต้องไปบิณฑบาตเป็นต้น <c oughs> ไม่ให้ไม่ให้มีความเกียจคร้านให้มีความขยันหมั่นเพียรในการดูแลเลี้ยงดูอัตภาพร่างกายของตนเอง <c oughs> ให้อยู่เป็นปกติสุขนะแล้วก็ภารกิจอีกสี่ข้อนั้นก็คือการแสดงธรรมปรชบุคคลต่างๆนี้ พระ อ, องค์ทรงให้ความสำคัญต่อการแสดงธรรมยิ่งกว่าภาร ก, กิจอย่างอื่นไม่มีปรากฏว่าพระพุทธเจ้าทรงใช้เวลาไปกับการสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างถาวรและวัตถุต่างๆสร้างพระพุทธรูปต่างๆเป็นต้นเพราะพระองค์ทรงเห็นว่าถาวรและวัตถุเหล่า น, นี้ ไม่ใช่เป็นธรรมอันประเสริฐที่พระพุทองค์ได้ทรงตัดสัรู้ได้ทรงค้นพบฐาวนวัตถุเหล่านี้ไม่สามารถนำพาสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้มีแต่ธรรมอันประเสริฐที่พระองค์ได้ทรงตัดสรู้เท่านั้นที่จะสามารถนำพาสัตว์โลกที่ติดอยู่ในคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้มีโอกาสได้ เล่นลอดออกจากคุกตารางอันนี้ได้ต้องมีพระธรรมคำสอนมาปรากฏขึ้นมาในโลกนี้เท่านั้นถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุระธรรมันประเสริฐนี้ก็จะไม่มีใครในโลกนี้สามารถที่จะทำตัวเองให้หลุดพ้นจากกองทุกข์แข่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เลย ไม่มีไม่มีบารมีพอที่จะตัดสั้นเป็นพระพุทธเจ้าได้ด้วยพระองค์เองได้ด้วยตนเองต้องอาศัยการตัดสั้ของพระพุทธเจ้าก่อนเมื่อมีพระพุทธเจ้ามาตัดสั้นทำมันประเสริฐนี้แล้วก็ต้องอาศัยความเมตตาของพระพุทธเจ้าที่จะนําเอาธรรมันเลิศอันประเสริญนี้ออกมาเผยแผ่ให้แก่สารโลกได้ยินได้ฟังต่อไป ถ้าพระองค์ไม่มีความปรารถนาที่จะนำธรรมอันเลิศอันประเสริฐนี้ออกมาเผยแผ่ให้แ ก, ก่สารโลกสารโลกก็จะไม่รู้จักธรรมอันประเสริฐนี้ได้ถ้าพระองค์ตัดสินใจเป็นพระประเจกัพุทธเจ้าคือตัดสลุดธรรมแล้วแต่ไม่นำธรรมอันเลิศอันประเสริฐนี้มาเผยแผ่สั่งสอนสัว์โลกก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากการตัดสรุดของพระพุทธเจ้า มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะได้รับประโยชน์จากการตัดสู้ทรมันเลิกันประเสริฐของพระองค์เองแต่เนื่องจากพระพุทธเจ้าของเรานี้ท่านมีพระเมตตามีพระกรุณาที่สูงส่งอย่างยิ่งทรงมีพระทยัยเห็นความทุกข์ของสัตว์โลกอยู่เห็นมีความสงสารในความทุกข์ทรมานของสัตว์โลก ที่จะต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆจึงได้ตัดสินพระทยัยจะนำรรมันทำมนันประเสริฐนี้มาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกเพื่อสัตว์โลกจะได้อาศัยทำมันประเสริฐนี้เป็นเครื่องมือนําพาสัตว์โลกให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่แหละทาไมพระพุทธเจ้าถึงต้องใช้ต้องทําภา ร, รกิจ ที่สำคัญสี่ข้อด้วยกันให้กับการเผยแพ่ธรรมะเพราะถ้าไม่มีการเผยแผ่ธรรมะนหนึ่งก็จะไม่มีผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากธรรมันประเสริฐที่พระองค์ได้ทรงตัดสรตและได้หลุดพ้นจา ก, กออกทุกข์มาแล้วด้วยพระองค์เองสองจะไม่มีใครมาเป็นทายาทสืบทอดเพราะธรรมันประเสรศิฐนี้ให้อยู่กับโลกนี้ไปได้นา น, าน การที่พระธรรมคำสอนพระธรรมที่พระเจ้ญญาได้ทรงตัดสั้นี้จะอยู่ในโลกนี้ได้นานๆนั้นจำเป็นจะต้องมีผู้มาสืบทอดเป็นทายาททางธรรมทายาททางธรรมก็ต้องเป็นพระอริยบุคคล น, นี้เองต้องมีตั้งแต่พระสกิพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์ท่านั้นที่จะสามารถสืบทอดพระธรรมอันเบิดอันประเสริฐ ที่พระ อ, องค์ได้ทรงตัดสู้ได้ดังนั้นเป้าหมายของพระ อ, องค์จึงตรงไปที่การสร้างพระอริยบุคคล น, นั่นเองเพื่อที่จะได้มีพระธรรมคำสอนมีผู้มาสืบทอดพระธรรมคำสอนให้อยู่กับโลกนี้ไปได้นานๆานอย่างที่เป็นอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ 2,500 กว่าปีมาแล้วตั้งแต่วันแรกที่พระ อ, องค์ได้ทรงประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สารโลก จนถึงวันนี้โลกเราก็ยังมีพระธรรมอันเลิออันประเสริฐเป็นแสงสว่างนำทางให้พวกเราออกจากโลกอันมืดบอดของการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าพระพุทธเจ้าไม่แสดงธรรมปวดสัตวโลกเลยตัดสู้แล้วก็เก็บไว้เฉยๆในพระทัยของพระองค์เองส์โลกของพวกเราก็จะไม่มีพระธรรมม า, มาได้ยินได้ฟังมาได้มาศึกษามาได้ปฏิบัติ ตามกันจะไม่มีใครได้บรรลุได้หลุดพ้นจากกองทุกได้เลยแต่เนื่องจากความเสียสละความเมตตาความการุณาของพระพุทธเจ้าที่อุทิศชีวิตตลอดระยะเวลาอีก45ปีด้วยกันหลังจากที่ทรงได้ตัดสรุแล้วมีเวลาของชีวิตเหลืออยู่45ปีพระองค์ใช้เวลาทั้งหมดนี้ให้กับการแสดงธรรมโปรดสัตว์เป็นส่วนใหญ่ อันนี้แหละพวกเราที่เป็นชาวพุทธคนจะคำหนึ่งถึงทำไมพระพุทธเจ้าถึงทำแต่ภารกิจเหล่านี้เท่านั้นทำไมพระพุทธเจ้าไม่สร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ไม่สร้างถาวละวะัตถุสร้างพระพุทธรูปอันใหญ่โตสร้างอะไรต่างๆเหมือนกับพระในสมัยนี้ทากันทำไมท่านถึงไม่ทำก็เพราะว่าท่านไม่เห็นความสาคัญของถาวละวัตถุนั่นเอง อาวอรวัตุนี้ไม่ใช่ทำอันเลิศอันประเสริฐที่ทําให้พระ อ, องค์ได้ตัดสุลุได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้พระ อ, องค์จึงไม่ได้ให้ความสําคัญต่อการสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างวิหารสร้างอะไรต่างๆเรื่องการก่อสร้างนี้ท่านทรงปล่อยให้เป็นเรื่องของความศรัทธาของคาลาวัจญานโยมคาลาวัจญานโยมที่มีศรัทธาในตัวพระ อ, องค์ ก็จะสร้างวัดต่างๆถวายให้พระองค์ประทับอยู่เพราะในช่วงของการเผยแผ่ธรรมของพระองค์นั้นพระองค์ก็ต้องมีการเดินทางไปจากเมืองหนึ่งไปสู่อีกเมืองหนึ่งเมื่อไปสู่เมืองหนึ่งไปสู่อีกเมืองหนึ่งก็ต้องมีประทับที่ว่าสัยปกติพระองค์ก็อยู่ได้ที่ไหนก็อยู่ได้อยู่ตามโคนไม้อยู่ตามร่มไม้ท่านก็ปฏิบัติมาตั้งแต่ในยุคที่ท่านยังไม่ได้ตัดเช้ ท่านก็ไม่ได้ไปเน้นความสำคัญในเรื่องการสร้างที่พักที่อยู่อาศัยแต่เนื่องจากมีศรัทธาผู้มีความรักมีความเคารพในพระพุทธองค์ทร<ม>งเห็นความยากลำบากของพระองค์ในการอยู่<ม>ก็เลยช่วยกันเบิกจากทรัพย์สินสร้างวัดต่างๆขึ้นมามเพื่อที่พระองค์เวลาที่เสด็จมาประทับมาเผยแผ่พระธรรมคาสอนก็จะได้มีที่อยู่อาศัยนั่นเอง แต่หน้าที่ของพระองค์นี้ไม่ได้อยู่ที่การสร้างฐานะและวัตถุต่างๆหน้าที่ของนักบวชทรงเน้นว่าอยู่ที่การสร้างพระขึ้นมาในใจของตนก่อนสร้างพระอริยบุคคลขึ้นมาในใจของตนเองสร้างพระโสดาบันสร้างพระสกิราคามีสร้างพะ ร, าารงพะอนาคามีสร้างพระอรหันต์ขึ้นมาในใจของตนก่อนเมื่อมีเมื่อตอนได้บรรลุปเป็นพระอรหันต์แล้วตนก็จะสามารถ เป็นทายาทสืบทอดนำธรรมมันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสโนนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่สนใจผู้ที่ยังไม่ได้มีธรรมะต่อไปอันนี้แหละคือภารกิจหลักของพุทธศาสนาของชาวพุทธเราก็ว่าได้ภารกิจของพวกเราก็คือการอนุรักษารักษาธรรมันเลิศอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าที่ได้พระองค์ได้ทรง ตัดสแล้วนํามามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สารโลกอย่างพวกเราพวกเราที่เป็นชาวพุทธยังมีหน้าที่จะต้องอนุรักษ์รักษาทำมันเลิศอันประเสริญนี้ให้อยู่ต่อไปหลังจากที่พวกเราได้จากโลกนี้ไปแล้วเรามีหน้าที่ที่จะต้องมาสืบทอดว่าทำมันเลิศอันประเสริญนี้แล้วก็ส่งให้กับลูกหลานของพวกเราต่อไปอีกทอดหนึ่ง ยังมีภารกิจของชาวพุทธที่พระเจ้าได้ทรงกําหนดไว้ให้พวกเราได้กระทํากันในการที่เราจะสืบทอดวัฒธรรมเลื่อนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าได้นี้มีข้อปฏิบัติอยู่สี่ข้อด้วยกันที่เราจะต้องทํากันเป็นขั้นเป็นตอนทําเป็นขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามตามลําดับขั้นที่หนึ่งก็คือ เราต้องศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาวิธีที่จะทําให้เราได้เข้าถึงพระธรรมอนเสริฐที่ผู้เจ้าได้ส่งเข้าถึงได้ศึกษาวิธีที่จะทําให้เราบรรลุมรรคผลนิพพานนั่นเองศึกษาวิธีที่จะทําให้เราเป็นพระสูดาบันเป็นพระสกิดาคามีเป็นพระอนาคามีและเป็นพระอรหันต์เมื่อเราศึกษาแล้วเราก็จะได้เรียนรู้ว่าวิธีที่เราจะทําให้เรา เข้าถึงธรรมเลอันประเสริญนี้ได้บรรลุปเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆได้ก็คือการปฏิบัติมรรคเนี่ยที่มีองค์แปดก็ดีมีองค์สามก็ดีซึ่งเป็นมรรคเหมือ น, นกันคือเป็นทางเดินสู่การดุจพ้นทางเดินสู่มรรคผลนิพพาน<ม>เราก็ต้องปฏิบัติตามที่ทรงสั่งสอนแล้วแต่สถานภาพของเราว่าเราเป็นฆราวาสหรือเป็นนักบวช ถ้าเป็นค า, ารวะพระองค์ก็ทรงสอนมักในรูปแบบของทานศีลภาวนาทําบุญทําทานรักษาศีลบําเพ็ญจิตตภาวนาสมถาภาวนาและวิปัสสนาภาวนาตามลําดับถ้าเราปฏิบัติครบถ้วนบริบูรณ์ทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาได้เราก็จะสามารถบรรลุถึงธรรมอันเลิศอันประเสริฐของพระอริยบุคคลขั้นต่างๆได้บรรลุถึงพระ โ ส, โ ส, โสโดาปฏิมักโสโดาปฏิผลสกิดาคามีมักสกิดาคามีผลอนาคามีมักอนาคามีผลอรหตตมักอรหตตผล <S 1> <S 1> <S ผลเหล่านี้เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเราที่พระเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติถ้าเป็นค า, า, ารวะก็ทําทานรักษาศีลภาวนาถ้าเป็นนักบวชบรรพชิชก็ให้ทํา ให้รักษาศีลสมาธิปัญญาให้รักษาศีลให้เจริญสมาธิให้เจริญปัญญาก็จะเข้าถึงมากผลอันเลิศอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเข้าถึงได้อันนี้คือข้อที่สองเบื้องต้นศึกษาวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรพอรู้แล้วว่าจะต้องปฏิบัติทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญา ก็นำมาไปปฏิบัติพอปฏิบัติอย่างไม่หยุดไม่ย่อนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนพอปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ช้ามักผลนิพพานก็จะปรากฏขึ้นมาตามลําดับจนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพระนิพพานเมื่อได้ถึงขั้นพระนิพพานแล้วก็ถือว่าได้สําเร็จ ได้เข้าถึงธรรมมันเลิศอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าแล้วหลังจากนั้นก็มีหน้าที่ที่ต้องทำอีกอีกข้อหนึ่งก็คือนําธรรมมันเลิศอันประเสริฐที่ได้เข้าถึงนี้อเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้นนต่อไปอนี่คือสี่ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าสอนวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องที่เป็น ที่เป็นสุ ป, ปฏิปันโนว่าปฏิบัติอย่างไรก็ให้ปฏิบัติศึกษาแล้วก็นำมาไปข้อที่สองสู่การปฏิบัติเมื่อได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่แล้วก็จะนำไปสู่ขั้นข้อที่สามก็คือได้บรรลุผลกันบรรลุธรรมกันขั้นต่างๆจนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพระนิพพานเมื่อได้บรรลุถึงขั้นสูงสุดแล้วก็ไปสู่ที่ข้อที่สี่ก็คือนาเอาธรรมที่ได้เข้าถึงนี้ เอามาเผยแพ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไปเป็นการถ่ายทอดจากจากยุคหนึ่งสู่อีกยุคหนึ่งรับความรู้จากครูบาอาจารย์ท่านเป็นยุคพ่อพ่อแม่เราปู่ย่าตายายเราเราเอาคําสอนของครูบาอาจารย์ที่ท่านได้เด็กศึกษาได้บรรลุนี้เอามาปฏิบัติมาศึกษามาปฏิบัติแล้วมาบรรลุพอเราได้ทําแล้วเราก็เอามาถ่ายทอดให้กับรุ่น รุ่นน้องรุ่นลูก ร, ร, รุ่นหลานของพวกเราต่อไปศาสนาก็จะอยู่ในโลกนี้ไปได้เรื่อยๆแล้วก็จะเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกไปได้เรื่อยๆจนถึงบัดนี้ก็2500อกว่าปีแล้วที่เรามีพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งเป็นที่พาให้เราได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่แหละคือความสาคัญว่าทาไมพระพุทธเจ้าถึงตรงมีภารกิจ สี่ข้อที่จงบำเพ็ญทุกวันให้กับการเผยแร่ธรรมะท่านไม่ให้ความสำคัญกับการทำอย่างอื่นเลยอีกภา ร, รกิจอีกข้อนึงก็ให้ความสำคัญต่อการเลี้ยงดูร่างกายของพระ อ, องค์เองด้วยการเสด็จออกบินทบาทนะเลี้ยงชีพด้วยตนเองไม่พึ่งพาสายคนอื่นถึงเวลาออกออกบินทบาตก็ทรงออกบินทบาต เพื่อได้เอาอาหารมาเลี้ยงดูร่างกายเพื่อให้ร่างกายมีชีวิตอยู่ต่อไปได้มีกำลังวังชาที่จะนำเอามาทำหน้าที่อีกสี่ข้อหลักก็คือการเผยแผ่ธรรมะสั่งสอนให้กับคารวะผู้คลองเรือนในยามบ่ายให้กับบรรพชิตนักวดในยามค่าให้กับเทวดาในยามดึกและทรงไปโปรดบุคคลเป็นกรณีพิเศษในวันต่อไป นี่คือภารกิจที่พระเจ้าได้ส่งบำเพ็ญมาทุกทุกวันหลังจากที่ได้ส่งประกาศพระธรรมคําสอนเป็นครั้งแรกในวันนาสาบบูชา mm. วันเพ็ญเดือน8เป็นวันเพ็ญเป็นครั้งแรกที่พระพุทธงค์นำเอาพระธรรมอันประเสริฐที่ได้ส่งตัดสรุนี้มาเผยแผ่ให้กับสัตว์โลกเป็นครั้งแรกสองเดือนหลังจากที่ได้ตัดสรุเป็นพระพุทธเจ้า พระ อ, องค์ทรงตัดสรุเป็นพระพุทธเจ้าในวันเพ็ญเดือนเดือน6ที่เราเรียกว่าวันวิสาขาบูชาต่อจากนั้นอีกสองเดือนหลังจากที่ได้พิจารณาค่ายควรแยกแยะสัตว์โลกผู้ที่จะมารับธรรมะอันประเสริฐของพระ อ, องค์แล้วทรงแยกแยะได้ว่ามีสี่จำพวกด้วยกันเป็นพวกบัวสี่เหล่าพวกที่สามารถเรียนรู้ได้เร็วมากเร็วน้อยช้ามากช้าน้อยนี่มีอยู่สี่อยู่สี่ระดับด้วยกัน ก็ส่งมุ่งไปสอนพวกที่รู้ได้เร็วก่อนคือพวกนักบวชทั้งหลายในวันเพ่นเดือนแปดสองเดือนต่อมาก็ไปสรงแสดงธรรมครั้งแรกให้แก่พระปัญจวคีที่เป็นนักบวชผู้ที่มีศีลที่บริสุทธิ์ผู้ที่มีสมาธิจิตตั้งมั่นอยู่แล้วสิ่งที่ท่านขาดก็คือปัญญาเพียงอย่างเดียวพอสรงแสดงปัญญาคือแสดงธรรมที่เป็นปัญญาที่จะใช้ในการ ดับความทุกข์ต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไปหนึ่งในผู้ฟังธรรมคือพระอัญญาณโกนธัญญะก็มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมา ท, ทันทีบรรลุเข้าถึงธรรมขั้นที่หนึ่งของคือขั้นพระโสดาบันบรรลุเป็นพระโสดาบันด้วยได้ด้วยการสแสดงด้วยการแปลงอุทานขึ้นมาว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดา จงเห็นกฎอันนี้จังทุกขังอนัตตาว่าไม่มีอะไรที่จะยั่งยืนถาวรทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นของชั่วคราวมีเกิดแล้วก็มีดับไม่มีตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่สามารถเก็บเอาไว้ให้อยู่กับเราเป็นของเราไปได้ตลอดอนี่ก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเน้นไปที่การเผยแผ่สั่งสอนให้กับ ผู้ที่มีควา ม, ส, มสนใจที่จะศึกษาและผู้ที่สามารถรับความรู้นี้ได้อย่างรวดเร็วก็มุ่งไปสู่พวกนี้ก่อนช่วงแรกๆนี้พระองค์จะทรงมุ่งไปสอนพวกนักบวชทั้งนั้นและเวลาทรงสแสดงสอนในแต่ละครั้งก็สามารถบรรลุธทรได้หลังจากที่ฟังธรรมเลยเพราะเขาพวกเขานี้เขามีศีลที่บริสุทธิ์อยู่แล้วมีสมาธิจิตที่ตั้งมั่นอยู่แล้วเพียงแต่ขาดปัญญา ปัญญาในอริยาาสัจสีปัญญาในตายรักษอันนี้จังทุกขังอนัตตาเท่านั้นเองพอทรงแสดงปัญญาในอริยสัจสี่ปัญญาในตายรักษณ์ให้เขาได้ยินได้ฟังเขาก็สามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้บรรลุถึงพันธิผ่านได้ในขณะที่ฟังธรรมทันทีแล้วหลังจากที่เขาได้บรรลุแล้วเขาก็ขอปขอ ขออนุ ญ, ญาตบวชเป็นภาภิกษุในพระพุทธศาสนาทันทีเพื่อที่จะได้นำมาทำบรรเลิศอันเสรศนี้ไปเผยแผ่ให้แก่ผู้อื่นต่อไปพอพวกที่ได้บรรลุทำขอบวชพระพุทธเจ้าก็จะบวชให้ด้วยการเปล่งวาจาว่าเอหิภิกขุว่าแปลว่าจงมาเป็นภิกษุเถิดการบวชสมัยแรกๆนี้ง่ายไม่ต้องมีพิธีรีจองอะไรเพียงแต่ มีบริขารแปดมาครบมีบาทมีจีวรมีอะไรมาครบพระองค์ก็มาขอบวชจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าโอเคเอหีภิกขุจงมาเป็นภิกษุเถิดเท่นทานี้ก็ได้เป็นพระแล้วเป็นพระภิกษุแล้วแล้วพอได้เป็นแล้วพระองค์ก็ทรงสั่งพวกนี้ที่เป็นพาาา ร, ระอรหันตสาวกนี้ให้กระจายไปตามทิศ ต, ต่างๆเอาธรรมันเลิศอันเปรนเสนี้ไปเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้ที่สนใจต่อไป นี่แหละคือภารกิจหลักที่ผู้เจ้าได้ท่งบำเพ็ญในตลอดระยะเวลา45ปีด้วยกันมีอยู่หข้อด้วยกันที่ทรงเห็นเป็นสิ่งที่สำคัญคือการเผยแผ่ธรรมะเพราะธรรมะนี้ถ้าไม่มีการแสดงไม่มีการศึกษาธรรมะจะไม่สามารถถ่ายทอดจากใจจากใจหนึ่งไปสู่อีกใจหนึ่งได้จำเป็นจะต้องมีการถ่ายทอดด้วยการแสดงธรรม องจึงทรงแสดงธรรมวันละสีรอบด้วยกันตอนบ่ายก็แสดงธรรมให้กับศรัทธาญาติโยมยามค่ำก็แสดงธรรมให้กับบรรพชิตนักบวชภิกษุภิกษุณีสามนเณรสามเณรียามเด็กก็แสดงธรรมให้กับเทวดาและในยามเช้าก่อนที่จะเสด็จออกบินธบัดก็จะเร่งยานว่าจะไปถ่ายทอดไปแสดงธรรมนี้ให้กับผู้ใดเป็นกรณีพิเศษต่อไป การทำบำเพ็ญอย่างนี้ของพระพุทธเจ้าจึงทำให้พระองค์ได้สามารถผลิตทายาทที่จะมารับท่านที่จะมาสืบทอดพระธรรมอันเลศอันประเสริฐของพระองค์นี้ให้อยู่ไปได้นานๆอยู่มาได้จนถึงปัจจุบันนี้และจะอยู่ต่อไปได้อีกทรงพยากรณ์ไว้ว่าคงประมาณอีกให้อยู่ได้ทั้งหมด 5,000 ปีด้วยกันซึ่งตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วประมาณครึ่งทางก็ยังเหลือ อ, อีกสองันห0กับ2พันรกว่าปีด้วยกัน ที่จะเราพวกเราจะมีศาสนามาเป็นแสงสว่างนำทางพาชีวิตของพวกเราให้ได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้หน้าที่ของพวกเราจึงต้องทำตามหน้าที่ที่พระองค์ได้ทรงสอนให้เรากระทำกัน4ี่ข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งก็คือให้ศึกษาพระธรรมคำสอนเมื่อศึกษาแล้วก็นำไปสู่ข้อที่สองคือนำมาไปปฏิบัติ สอนให้ปฏิบัติทานศีลภาวนาเราก็นําเอาไปปฏิบัติทําทานรักษาศีลภาวนาทําไปจนถึงป่าจะเราได้ถึงข้อที่สามข้อที่สามก็คือได้บรรลุมรรคผลนิพพานจากการปฏิบัติทานศีลภาวนาพอเราได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้ทําข้อที่สามได้สําเร็จแล้วเราก็ไปทําข้อที่สี่ต่อไปข้อที่สี่ก็คือเราก็นําเอาธรรมะเลิกอนเปรื่องนี้มาเผยแผ่ให้กับผู้ที่ไม่มี ผู้ที่ไม่มียังไม่ได้บรรลุต่อไปผู้ที่อยากจะบรรลุผู้ที่อยากจะเรียนรู้เราก็เอาธรรมะนี้ไปเผยแผ่สั่งสอนต่อไปถ้าเราทําทั้งสีข้อได้ น, นี้รับรองได้วพระพุทธศาสนาของเรานี้จะอยู่ยั่งยืนไปตลอดไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดที่อาจจะเสื่อมลงไปเพราะว่าพวกเราไม่ทําหน้าที่ทั้งสีข้อนี้ได้อย่างสมบูรณ์เท่านั้นเองอ น, นี้ก็คือเรื่องของภารกิจที่เรียกว่าพุทธกิจหของพระพุทธเจ้า ที่นา ม, ามาแสดงโปรดท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ต้องขอยุติไว้เพียงเท่านี้เพราะลําดับต่อไปเราจะมาปฏิบัติธรรมกันเราจะมาปฏิบัติสมาธิกันซึ่งเป็นขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่หนึ่งคือทําทานขั้นที่สองก็รักษาศีลขั้นที่สามก็สมาธิขั้นที่สี่ก็ปัญญาตอนนี้เราจะมาปฏิบัติข้อที่ ข้อที่สามกันคือมาทําใจให้สงบให้ใจตั้งมั่นอยู่ในความสงบเพราะถ้าใจตั้งมั่นอยู่ในความสงบได้ใจจะมีพลังที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหาตัวที่พาให้จิตของเราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองถ้าเราไม่มีสมาธิ ถ, ถึงแม้เราจะรู้ว่ากิเลสเป็นตัวที่พาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดเราจะไม่สามารถหยุดกิเลสได้เราจะไม่สามารถหยุดการเรียนว่ายตายเกิดได้ จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ต้องมีกําลังของสมาธิมาสนับสนุนปัญญาปัญญาก็คือการเห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดของเราเกิดจากจากิเลสตัณหาตัวที่พาให้เรามาเกิดแก่เจ็บตายกันอยู่เรื่อยๆนั่นเองพอเรารู้แล้วว่ า, าสิ่งที่เราต้องหยุดก็คือกิเลสตัณหาจะหยุดได้ก็ต้องมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนถ้าไม่มีสมาธิก็หยุดไม่ได้ เราจรึงต้องมาปฏิบัติสมาธิก่อนแล้วเราค่อยไปทางปัญญาต่อไปอันนี้เราจะมานั่งสมาธิกันประมาณสักประมาณสัก20กว่านาทีเกือบ30นาทีเราขอแนะนําวิธีนั่งสมาธิการนั่งสมาธินี้เราไม่ต้องการที่จะรู้อะไรเห็นอะไรเราต้องการให้จิตนิ่งสงบให้จิตว่างเยน็นสบายมีความสุขเราต้องมีสติผูกใจให้อยู่กับอารมณ์กล่อมใจที่เรียกว่ากรรมฐาน สติคือการระลึกรู้กรรมฐานก็คืออารมณ์เช่นพุทโธพุทโธนี่เป็นอารมณ์อย่างหนึ่งเราต้องผูกใจให้เอาสติมาผูกไว้กับพุโทโธให้ใจระลึกรู้อยู่กับพุโทโธเพียงอย่างเดียวเวลานั่งสมาธิอย่าไปสนใจกับอะไรต่างๆที่อาจจะมาปรากฏในขณะที่เรานั่งสมาธินั่งไปอาจจะมีภาพมีเสียงมีอะไรเข้ามามีความรู้สึกอะไรต่างๆเข้ามาอย่าไปสนใจให้ผูกใจให้อยู่กับกรรมฐานไปเรื่อย ๆ, ๆเพียงอย่างเดียว อยู่กับพุโทโธไปอย่างเดียว <c oughs> หรือถ้าเราจะใช้ลมหายใจเข้าออกก็แทนก็ได้บาะคนใช้การดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกก็สามารถที่จะกล่อมใจให้เข้าสู่ <c oughs> เข้าสู่ความสงบได้ <c oughs> <c oughs> แล้วแต่เราจะเลือกกรรมฐานแต่ละชนิดแล้วแต่เราจะสะดวกเราชอบอันไหนล้วก็ใช้อันนั้นไปก็ได้นอกเหนือนทั้งสองอย่างนี้แล้วก็มีอย่างวิธีอื่นด้วย เช่นการสวดมนต์ไภายในใจก็เป็นกรรมฐานอีกอย่างหนึ่งถ้านั่งแล้วใจยังคิดมากยังฟุ้งอยู่ก็ใช้การสวดมนต์ไปเรื่อยๆก่อนก็ได้สวดไปจนกว่าใจจะหายฟุ้งแล้วค่อยกลับมาดูลมหายใจต่อหรือกลับมาบริกรรมพุทโธต่อก็ได้แต่พอเราดูลมแล้วหรือบริกรรมพุทโธแล้วอยากทิ้งมันไปให้อยู่กับลมอยู่กับพุทโธหรือยอยู่กับพุทโธไปจนกว่าจิตจะรวมเป็นสมาธิขึ้นมา พอจิตรวมเป็นสมาธิแล้วการดูลมการบริการพุทธะก็ไม่จําเป็นจิตก็จะนิ่งสงบมีความสุขแล้วก็จะอยู่กับความสุขอันนั้นไปจนกว่าสติจะอ่อนกําลังแล้วก็จะค่อยถอนออกมาอีกทีนี่คือการเป้าหมายของการนั่งสมาธิเรานั่งมันด้วยสติกํากับใจให้อยู่กับกรรมฐานอยู่กับพุทธก็ได้อยู่กับลมก็ได้อยู่กับการสวดมนต์ก็ได้แล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนเหมาะกับเราอย่างอย่างไหนก็ใช้อย่างนั้นไป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 จิตก็จะสงบได้เหมือนวันนี้แต่อย่าไปนั่งแล้วอยากให้มันสงบเพราะว่าความอยากจะไม่ทําให้มันสงบต้องวิธีนั่งที่ถูกต้องเช่นวันนี้ถ้านั่งแล้วยังไม่สงบแสดงว่าสติเรามีน้อยก็ควรจเจริญสติให้มากขึ้นก่อนที่จะมานั่งเราสามารถจเจริญสติได้ทั้งวันเลยตั้งแต่ตื่นจนหลับให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปภายในใจอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปพุทโธจะอยู่ในใจเราเวลาที่นั่งสมาธิ ใจก็จะไม่ลอยใจก็จะนิ่งจะสงบได้ง่ายต่อไปและต่อไปนี้จะขออนุมูทนาให้พรยะทาวาลิวาหาปุราปาลิกเปินติสาขลังเอวเมวะอิตุชินางเปตานาังอุ ป, ปกัปติอิจิตังปัติตังตุมหังคิดเมวะสมมจตุ สัพเพปเรนตุสังคปาจันโทปนาราสูยาามณิโชติอาราสยาาสัพพิติโอวิวัจจันตุสัพพะโรโวินัสตุมาเตปวัตตุอันตลาโยสุขีติขายุโกภวะ อาพิวาทานศีลิษานิจางุธาปจายโนจตรารูธรมมวัฏฐานติอายุวนโนสุขังภาลาังช่วงต่อไป น, นี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนแสกระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ตอนนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่เรียนพระอาจารย์ค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรร ม, มานากุติจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติสองร้อยแปดสิบห้าท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์สองร้อยแปดสิบแปดร v วห้าสิบเอ็ดวิทยุออนไลน์ห้าลับเฮาส์สามนักกุติสองร้อยสิบห้ารวมทั้งหมดแปดร้ยสสิบเจท่านค่ะ คำถามจากคำถามจากทาง youtube อกเร์ค่ะในการขอกราบข อ, อ, อความเมตตาจากพระอาจารย์ในการให้ความกระจ่างในเรื่องของความรักและคิดถึงที่มีต่อคุณแม่ในข้อนี้อยู่ในขันข้อไหนคะเรียกความรู้สึกนี้ว่าเป็นการยึดติดในตัวตนไหมคะและทําอย่างไรดีที่ยังมีความรักอยู่ค่ะเกอความรักกับผู้มีพระคุณนี้ไม่เสียหายตรงไหนรักให้เราคึดถึงพระคุณของท่าน แล้วก็ตอบแทนบุญคุณของท่านถ้าท่านจากไปเราก็ทำบุญอุทิศ ส, ส่วนบุญไปให้กับท่าน<ม>อันนี้เป็นหน้าที่ของลูกๆที่ควรจะทำกันไม่ควรลืมพ่อลืมแม่คิดถึงพ่อคิดถึงแม่ให้คิดถึงบุญคุณของพ่อของแม่ที่ได้เลี้ยงดูเรามาที่ให้กำเนิดกับเราถ้าท่านอยู่มีชีวิตอยู่ก็ดูแลท่านให้ดีถ้าท่านจากไปก็ทาบุญอุทิศไปให้ท่านอยู่เรื่อยๆ ทุกครั้งที่เราทำบุญเราก็อุทิศบุญนี้ส่วนหนึ่งไปให้กับท่านอันนี้เป็นการกระทาที่เป็นหน้าที่ของลูกที่ควรจะกระทถ้าลูกต้องการความสุขความเจริญคำถามจากทาง inbox ค่ะปัญหาของคุณแม่อายุแปดสิบปดปีที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ค่ะคือท่านจะคิดวนอยู่แต่เรื่องเดิมๆที่เป็นเรื่องที่เคยขับแค้นใจได้ทั้งวัน โดยจะนั่งพูดอยู่คนเดียวซ้ำๆเหมือนเล่าเรื่องให้ใครฟังตลอดวันตลอดคืนและจินตนาการเกินจริงว่ามีคนวางยาท่านยิ่งพูดยิ่งมีอารมณ์เสียงดังกลางคืนก็ไม่นอนทานน้อยลงยุ่งกลัวว่าจะทำให้ท่านจากไปอย่างลำบากเจ้าค่ะโยบลบกวนขอคําชี้แนะจากพระอาจารย์ได้ไหมเจ้าค่ะความจริงปัญหาของท่านก็เป็นปัญหาของท่านเราไม่ต้องไปสนใจเป็นเรื่องของบุญกรรมของท่าน เราก็ดูแลท่านไปตามกำลังของเราเท่าที่เราจะดูแลได้ก็พอแต่อย่าไปวิตตกเอย่ไปหงยายยัยอย่าไปอะไรกับท่านเลยเพราะเป็นเรื่องวิบากกรรมของท่านมีท่านผู้ชา ย, ยาากราบนามสการครับพระอาจารย์ครับเ อ, อขอส่งการปฏิบัติครับอาจารย์วันนี้นั่งสมาธิได้ รู้สึกว่าโอเคครับใช้คำบริกรรมเป็นที่อยู่ก็ในระหว่างบริกรรมมันก็ดิ้นตลอดแต่ก็มาเห็นว่าใจมันไม่ยอมรับแล้วมันก็ดิ้นมันก็คลายขึ้นแต่มันก็จะมาเป็นอีกเรื่อยๆทีนี้ที่จะถามพระอาจารย์คือ ก็ค่อนข้างจะเอาเป็นเอาตายนิดนึงกับการที่ให้มันอยู่กับคําบริกรรมครับพุโทโธพุโทโธบ้างอะไรบ้างอะไรอเงี้ยครับอย่างนี้ใช้ได้ไหมครับถูกต้องต้องอยู่กับพุโทโธก็เอาเป็นเอาตายกับมันเลยเดี๋ยวพอมันยอมแพ้นะเราก็หยุดพุดโทโธได้ตอนนี้มันยังสู้ก็อย่าเพิ่งหยุดพุทโธเขานักมวยที่เราสู้กันเนี่ยถ้ามันยังต่อยกับเราก็ต้องต่อยมันให้มันสลบเลไปพอมันสลบแล้วทีนี้เราก็สบายไม่ต้องทําอะไร มันก็จะเป็นอัตโนมัติโดยไม่ต้องพยายามเนี้ยแหละครับใช่พอมันพอมันยอมแพ้แล้วคนเนี่ยแล้วมันไม่กล้าเหยื่อล่ะพอเราพูดตัแค่สองสามคำมันก็หลบไปเลยหยุดไปเลยอืมโอเคได้ครับพระอาจารย์ต้ให้เด็ดขาดต้องเป็นพเด็จการนะการปฏิบัตินี้ต้องเป็นพเด็จการใช้เสียงข้างมากไม่ได้เสียงข้างมากพากิเลสกิเลสมันมากกว่าเราเราต้องใช้พเด็จกา ร, รนะได้ครับพอพูดทอนเนี่ยพเด็ดการ หายังไงพูดโธอย่างเดียวผมไม่สนใจนะหาะว่างงพุดโธอย่างเดียวอยู่อ่ะเดี๋ยวมันก็หยุดเองอ่ะได้ครับฟังใจงั้นขอบคุณมากเลยครับประมาณนี้ครับต้องคำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะ หนูทางานเป็นล่ามอยู่บริษัทจีนที่ดูมั่นคงแต่เพิ่งทราบว่าทําบริษัทมีการนําเงินเข้ามาในประเทศโดยไม่รู้ที่มาที่ไปของเงินแบบนี้หนูจะบาปไหมคะเพราะพี่ๆในทีมตั้งข้อสงสัยว่าเป็นการฟอกเงินหรือเปล่าคะ่ะตอนนี้ในใจวางแผนว่าอาจจะเตรียมตัวหางานใหมค่ค่ะไม่เกี่ยวอะไรหรอกเราเป็นลูกจ้างเขาเขาจ้างเอามาล้างส้วมล้างอะไรไม่เกี่ยวเขาเรื่องที่เขาจะไปซักฟอกเงินหรือไม่ เป็นคนละเรื่องกันคำถามจากทางยู u b e พระอาจารย์สุชาติค่ะเวลานั่งสมาธิภาวนานั่งกอดอกแทนเอามือขวาทับมือซ้ายได้ไหมเจ้าคะไม่สวยงามการนั่งสมาธิต้องอยู่ในท่าที่สง่างามน่สวยงามก็คือท่านั่งขัดสมาธิแบบพระพุทธรูปอย่างนี้เป็นต้นคำถามจากทางเฟ e บ o ๊ k ค่ะ ระหว่างวันและลิกพุโทโธก่อนนอนจะสวดมนต์และจเจรินสติสมาธิจนหลับไปขอความเมตตาเราควรปรับปรุงอย่างไรในการปฏิบัติใหม่เจ้าคะ้ะก็ต้องเจริญสติเวลาที่เราตื่นเราตื่นขึ้นมาก็ต้องเจริญสติอยู่ทั้งวันทั้งคืนจนกว่าจะเวลานอนเราค่อยหลับไปก็ไม่ต้องเจริญสติข้อที่สองความตายทาให้พ้นทุกข์ได้ถูกไหมเจ้าคะ ยงไนะความตายทําให้พ้นทุกได้ถูกไหมเจ้าคะไม่ได้หลังนี้ก็พ้นทุกกันหมดแล้วสิคนตายเลยตายแล้วมันยังกลับมาเกิดกันอีก ต, อ ต, อต้องกิเลสตายถ้ากิเลสตายเมื่อไหร่ก็พ้นทุกเมื่อนั้นข้อที่สามปัจจุบันมีบทสวดเยอะมากเราควรเลือกบทสวดตามพระพุทธเจ้าจะตรวจสอบได้อย่างไรเจ้าคะก็ไปดูหนังสือสวดวนตามวัดต่างๆ คำถามจากทางเฟ e b o o k ค่ะถ้าพ่อแม่เจ็บป่วยเราจะสามารถทำบุญแทนท่านได้ด้วยวิธีใดบ้างคะที่ท่านจะได้รับผลบุญนั้นๆเนี่ยบทผลบุญนั้นแน่ๆบุญต้องทำเองต้องเป็นพ่อแม่ต้องเป็นคนทำเองคือต้องต้องใช้เงินของท่านต้องเป็นความคิดของท่านส่วนการยาไปทำนี่คนอื่นทำแทนให้ได้แต่ต้องเป็นคำสั่งของท่านแล้วต้องเป็นเงินข้าของขอ ง, ของท่าน ถึงจะได้บุญเช่นท่านนอนติดเตียงอย่างนี้ท่านบอกลูกเลยเดี๋ยวเอาเงินโอบนบัญชีไปทำงานให้กับวัดสะก้อนอยู่สิอย่างเงี้ยแล้วลูกไปทำแทนให้ทำได้อยู่บุญเป็นของของแม่เพราะเป็นเงินของแม่แล้วเป็นความคิดของแม่คำถามจากทางเฟ e บุ o k ค่ะ เมื่อใจเราเกิดความคิดฟุ้งไปตามกับสิ่งรอบตัวมากเกินไปควรจะต้องทํำยังไงถึงจะดึงใจกลับมาอยู่ที่ตัวได้โดยเร็วที่สุดคะพุโทโธนี่แหละพุโทโธพุโทโธไปเดียวเดียวความคิดต่างๆก็จะหายไปหมดคําถามจากทาง facebook ค่ะความว่างของจิตมีลักษณะใดบ้างคะ อ, อ๋อต้องต้องเจอมันถึงจะรู้พูดไปก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีประโยชน์อะไรเหมือนบอกคนตาบอดว่าสีแดงเป็นยังไง บอกไปจนตายมันก็ไม่รู้สีแดงเป็นยังไงหรอกต้องบอกให้ลืมตาดูซิลืมตาแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องบอกอันนี้ก็เหมือนกันนะต้องภาวนาพูดโทพูดโทไปแล้วเดี๋ยวก็จะรู้เองว่าความว่างของจิตเป็นยังไงคำถามจากทาง y ย u ทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะจากคำทานายที่ว่าปี2573จะเกิดน้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพถ้าเรามาวิเคราะห์ดูด้วยความไม่ประมาทและเรามีกาลังห แล้วเรามีกำลังไม่ให้เดือดร้อนอยากมีที่ดินเพื่อความไม่ประมาทอันนี้เป็นเหตุเป็นผลหรือเป็นความหวาดกลัวจากกิเลส ข, ของเราเองพรุงแต่งเจ้าค้าเพราะอยู่ที่ไหนถ้าจะตายก็ตายอยู่ดีนั่นหละถูกต้องแล้วดูคำพยากรณ์ผิดคำพยากรณ์ถูกไม่ดูเกิดมาแล้วต้องตายแค่นี้แหละให้รู้แค่นี้ก็พอแตารู้ว่าตายแล้วยอมรับความตายได้ก็ไม่ต้องไปทาอะไรให้เสียเวลาพอถึงเวลามันก็ตายก็จบ คำถามจากทาง facebook ค่ะเรียนถามว่าคุณพ่อเสียชีวิตครบยี่สิบเอ็ดวันแล้วลูกๆทําบุญให้คุณพ่อแทบทุกวันท่านจะได้รับอ น, นิสงผลบุญที่ลูกๆอุทิศให้ไหมคะคุณพ่อไม่มาคุณพ่อไม่มาเข้าฝันเลยค่ะท่านถ้าท่านรอรับอยู่ก็ได้ถ้าท่านไม่รอรับอยู่ก็ไม่ได้บางทีท่านมีบุญของท่านแล้วท่านก็ไปที่เกียรมานั่งรอให้เสียเวลาไปรับผลบุญเลยดีกว่าคําถามจากทาง facebook ค่ะ เป็นโรคนอนไม่หลับทำยังไงดีคะพระอาจารย์คิดมากต้องหยุดความคิดด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆคาถามสักทาง youtube ดรวีค่ะทางโลกเราก็อยากประสบความสําเร็จทางธรรมก็อยากบรรลุธรรมวิวิธีคิดอย่างไรเพื่อให้รอดทิทางโลกได้บ้างครับก็เหมือนกินกาแฟเย็นกับกาแฟร้อนเนี่ยจะกินทั้งสองอย่างพร้อมกันได้เปล่าต้องเลือกเอากินกาแฟเย็นก็อย่าไปกินกาแฟร้อนอย่าไปใส่ในถ้วยเดียวกัน แยกทั่วออกจากกันไปคนละทางกันทางธรรมกับทางโลกเหมือนทางทางขึ้นเหนือทางโลกลงใต้อย่างเงี้ยมันจะไปด้วยกันทีเดียวพร้อมกันไม่ได้ต้องแยกทางกันเลยคําถามจากทางอินบ็อกซ์ค่ะนิพพานเป็นอย่างไรเจ้าค่ะนิพพานก็คือไม่มีกิเลสไงพอไม่โลภกอดหลงก็ใจก็เป็นนิพพานขึ้นมาคําถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะ เมื่อองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเน้นเรื่องการพ้นทุกข์ด้วยปัญญาแต่ปัจจุบันมีพระสงฆ์ดังๆส่วนใหญ่เน้นการสร้างวัตถุเจดีเน้นให้บริจาคทานสร้างวัตถุถึงจะได้บุญจริงหรือไม่เจ้าคะถามเมืออไงไม่เข้าใจถามว่าพระพุทธเจ้าเน้นเรื่องการพ้นทุกข์ด้วยปัญญาออแต่ปัจจุบันมีมีการมีพระสงฆ์ที่แนะนําให้บริจาคทานเพื่อสร้างวัตถุ มันก็เป็นขั้นต้นของการปฏิบัติไงทานศีลภาวนาขั้นต้นให้ทาบุญทาทานก่อนแล้วก็ไปรักษาศีลแล้วค่อยไปเจริญปัญญาต่อไปคําถามจากทาง Facebook ค่ะศีลและพระประมารมาหมายความว่าอย่างไรต้องปฏิบัติอย่างไรครับความไม่มั่นใจในศีลว่ามีผลตามที่เขาพูดหรือเปล่ารักษาศีลแล้วไปสู่สุขติได้จริงหรือเปล่าอย่างนี้ คือไม่ไปเกิดในอบายจริงัหมการไม่ทำบาปจะทำให้เราไม่ไปอบายจริงไหมถ้ายังสงสัยอยู่ก็สแสดงว่ามีศีลับพัตตาปรมามาอยู่ยังไม่ยอมเลิกทำบาปยังคิดว่าทำบาปแล้วยังไปสวรรค์ได้อยู่แต่ถ้ารู้ว่าทำบาปแล้วจะต้องไปนรกนี่ก็สแสดงว่าไม่มีศีลับพัตตาปรมาม่สงสัยในศนะีหมดแล้วแหลา ยังไม่มีคําถามใหม่ค่ะจำรองมีไ้มจำลองวันนี้ไม่มีเลยนมัสการครับผมคือผมอยากจะเรียนถามว่าจิตเดิมแท้จิตประพัดสอนและจิตนิพพานกับจิตพระอราหันต์นี่เป็นจิตเดียวกันหรือเปล่าครับผมคือมันจิตก็ละชนิดกัน จิตเดิมแท้คือจิตที่สงบในสมาธินี่แหละจิตเดิมแท้ตรงนั้นจิตไม่มีการปรุงแต่งไม่มีการอะไรทั้งสิ้นว่างแต่กิเลสยังนอนก้นอยู่ไม่ตายส่วนจิตของผ้าหลานจิตของนิพพานนี้เป็นจิตที่ปราศจากกิเลสจิตบริสุทธิ์ต่างกันตรงนั้นตรงนั้นที่มีกิเลสกับไม่มีกิเลสจิตเดิมแท้ยังมีกิเลสอยู่จิตนิพพานี้สิ้นกิเลสแล้ว แสดงว่าจิตเดิมแท้กับจิตประพัดสอนนี้เป็นเป็นสิ่งเดียวกันใช่ไหมครับอันเดียวกันเป็นจิตที่ยังมีกิเลสอยู่จิตที่เข้าสมาธิครับมันพอเข้าสมาธิจิตมันก็สงบประพัดสอนสว่างขึ้นมาครับผมคือเรียนถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามที่ผมมีสติต่อเนื่องอยู่กับอยู่ในชีวิตประจําวันนีะครับมันไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนหรือเดินไปไหนก็จะมีสติอยู่ตลอดเวลา แต่มันจะมีสภาวะหนึ่งที่มันเหมือนว่าหายไปลืมตัวหายไปแลจิตมันพูดมันหายไปไหนไม่ไม่ทราบคือมันมันหลับไงมันหลับมัับต้องมีสเตจต้องรู้ตัวตลอดเวลาถึงไม่หลับไม่ใช่ไม่ไม่ใช่จิตว่างใช่ไหมครับทุกคนไม่ใช่เหรอนั้นจิตหลับอถ้าจิตถ้าจิตสงบจิตว่างมันจะตื่นมันจะตื่นมันจะมหัศจรรย์ใจครับผมเบาอกเบาใจเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ทั้งเป็น ต่างกันถ้าจิตวุ่นแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยนะท่านจิตแล้ว <laughs> แล้วสภาวะที่ที่มันเหมือนโลกเงียบไปหมดนะครับคือคือคืออะไรครับผมไม่ไม่ทราบหมายความว่าโลกเงียบคือมันอยู่เฉยเหมือนเราดูผมคอยดูจิตเนี่ยค่อยๆดูจิตมีสติคอยดูจิตแต่สักพักมัน <laughs> มั น, มนยินเสียงวิ่งในหูแล้วเหมือนโลกจะเงียบไปสงัดเงียบเงียบกลปไปหมดเลยครับอา จ, จจะหูชั่วคราวก็ได้ก็ลกใช่ไหมผมดูใช่ไห รู้เฉยๆเป็นอย่างนี้แต่มันเป็นไม่นานใช่ไหมใช่ครับมันเป็นไม่นานแต่มันก็ฟื้นกับเพราะว่าเพราะว่าหูครับผมแค่นี้แหละครับคำถามจากทางเฟซบุกค่ะเหตุใดผู้ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้หูสูร มีความรู้ทางพระธรรมเป็นอย่างดีตลอดจนนักวิชาการผู้มีความรู้ดีจํานวนไม่น้อยจึงยังไม่อาจเห็นความจริงตามธรรมยังเผลอมองเห็นสิ่งที่ผิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกเห็นกองจักเป็นดอกบัวยังไม่สามารถแยกแยะชั่วดีอยู่เจ้าคะเพราะยังไม่ภาวนายังไม่ปฏิบัติธรรมจิตยังไม่สงบจิตยังมีโมหะอวิชชาครอบงำอยู่เหมือนแว่นที่มันเปื้อนอะมองยังไงก็มอ ง, อง ไ, อไม่เห็นสิ่งที่ควรจะเป็นว่าเป็นอย่างไร ต้องไปเช็ดแว่นตาให้มันใสก่อนเราจะเห็นว่าแมวกับหมานี่ต่างกันแต่เวลาแว่นมันมันแว่นมันเปื้อนบางทีไม่เห็นแมวเป็นหมาเห็นหมาเป็นแมวไปได้จิตก็เหมือนกันจิตที่ยังไม่สงบจิตไม่ใสเนี่ยจิตจะมีอวิชชาครอบงําอยู่ก็จะมองไม่เห็นตามความเป็นจริงแต่พอทําจิตให้สงบเป็นสมาธิขึ้นมาจิตจะใสขึ้นมาทันทีจะเห็นจะเห็นกิเลสเป็นกิเลสเห็นธรรมเป็นธรรมทันที คำถามจากทาง y o youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะมักมีองแปาาดคารวะควรปฏิบัติอย่างไรคะองคารวะเอาแค่ทานศีลภาวนาก็พอทำสามอย่างทำทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาก็เป็นมักเหมือนกันอันนี้เป็นมักที่มีมองเก้าสีลด้วยซ้ำไปคำถามจากทาง Facebook ค่ะ เวลาเราตั้งใจอยากจะรักษาศีลเรามักจะมีได้รับบททดสอบเสมอจริงหรือไม่คะอ่าการทําศีลก็เหมือนเข้าห้องสอบไนงะเวลาเพื่อน ม, นชมาชวนไปกินเหล้าอย่างเงี้ยมันก็มีข้อสอบนะว่าจะไปกับเพื่อนหรือไม่ไปกับเพื่อนอถ้าเราถือศีลห้าเราไม่ดื่มเหล้าเราก็ต้องปฏิเสธเข้าไปแต่ถ้าเราไม่ถือศีลก็ไปเลยไม่มีข้อสอบคําถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะ ในเวทนานุปัสในเวทนานุปัสสนากรรมฐานปิติหายไปเลยข้ามไปปัดสันติสุขเวทนาเลยอย่างนี้ต้องปรับปรุงอย่างไรครับไม่ใช่อะไรเลยมันเพูดถึงเรื่องอะไรมรัพูดถึงสมาธิเราพูดถึงเวทนานี่นคนละเรื่องกัน น, น, นั่งสมาธิก็ให้มันข้ามไปให้มันเข้าสู่เบขาไปมันไม่เกี่ยวกับเวทนา มันเกี่ยวสติพุทโธล ด, ดูลมหายใจถ้าพุทโธไปเรื่อยๆมันก็จะผ่านขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองแล้วเข้าไปสู่ขั้นที่สี่คือเบขาต่อไปหมดแล้วใช่ไหมใครยังไม่มีคำถามไหมะโอเค <มา S 1> เวลาก็พอสมคว ร, ครก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ